ทำไมคนบางคนไม่น่าสงสารทั้งที่เป็นทุกข์อยู่อย่างหนักในขณะที่บางคนน่าให้ช่วยทั้งที่เป็นสุขอยู่ดีๆวิธีช่วยเหลือคนที่จมอยู่กับความรู้สึกสงสารตัวเองคือพาเขาช่วยคนที่น่าสงสารกว่าเขาความรู้สึกสงสารตัวเองถ้ายืดเยื้อและเข้มข้นนานพอจะสร้างความรู้สึกหนึ่งขึ้นมา คือตัวเองน่าสงสารที่สุดในโลกความรู้สึกสงสารตัวเองถ้าครอบงาจิตใจได้มิดพอก็จะสร้างอีกความรู้สึกหนึ่งขึ้นมาคือตัวเองทำอะไรก็ไม่ผิดเป็นความผิดของอะไรสักอย่างหรือใครสักคนคนอื่นมีหน้าที่ต้องเห็นใจตนถ้าไม่เห็นใจต้องถูกด่าให้อายกันความรู้สึกสงสารตัวเองถ้าเกิดขึ้นข้างเดียวสงสารคนอื่นไม่เป็น ในที่สุดจะก่อลุมดำทะมึนจากความเห็นแก่ตัวร้ากาศหมดพลังชีวิตของตัวเองพร้อมจะสูบพลังชีวิตของคนอื่นจึงไม่อยากอยู่กับตัวเองและคนอื่นก็ไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากถูกสูบพลังเห็นว่าน่าสงสารแต่ไม่น่าช่วยหรือกระทั่งมันไส่อยากซ้ำเติมให้หนักขึ้นความรู้สึกสงสารตัวเองเริ่มต้นจากความเศร้าโศกเสียใจแล้วคลั่งครวญไม่หยุด ร้องขอความสุขจากคนอื่นไม่หาวิธีสร้างความสุขให้ตัวเองความรู้สึกเห็นใจคนอื่นถ้ายาวนานและเข้มแข็งพอจะสร้างความรู้สึกหนึ่งขึ้นมาคือใครต่อใครในโลกน่าเห็นใจไปหมดความรู้สึกเห็นใจคนอื่นถ้าแผ่ออกกว้างด้วยจิตเต็มเมดวงก็จะสร้างอีกความรู้สึกหนึ่งขึ้นมาคืออยากเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกไม่โทษใคร ติเพื่อก่ออยากเปิดตาคนอื่นให้มองตามเห็นตามกันว่าใช้เวลาแก้ไขดีกว่าเสียเวลาแก้ตัวความรู้สึกเห็นใจคนอื่นถ้าเกิดขึ้นไม่ขาดสายเกลียดคนยากหรือเกลียดใครไม่เป็นเลยในที่สุดจะสร้างพลังสว่างสดใสอันเกิดจากความเมตตาปราณีไม่มีที่สุดมีความชื่นบานไม่จำกัดให้ตนเอง เผื่อแผ่ให้คนอื่นได้ไม่รู้หมดรู้สิน้นจึงมีความสุขอยู่กับตนเองและช่วยใครต่อใครให้รู้สึกดีขึ้นได้แม้เพียงเพิ่งเข้าใกล้ดังนั้นถึงไม่มีเรื่องเดือดร้อนไม่คิดเรียกร้องให้ใครช่วยคนก็อยากช่วยหรือหาทางทําให้ชีวิตดีขึ้นเป็นการตอบแทนกันความรู้สึกเห็นใจคนอื่นเริ่มต้นจากความอิ่มใจในตน เราอยากให้ล้นออกไปเป็นสุขของคนอื่นบ้างมีดีก็แบ่งแบ่งกันไม่เอาแต่หันหน้าเข้าหาความรู้สึกของตัวเองอยู่คนเดียว